เรื่องทรงอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟสมัยนั้นทายกทายิกาในกรุงเวสาลีจัดตั้งพัตตาหารประนีตไว้ตามลำดับภิกษุฉันพัตตาหารประนีตจนร่างกายอ้วนจึงมีอาพาธมากครั้งนั้นหมอชีวกโกมารพัท มีธุระต้องเดินทางไปกรุงเวสาลีเห็นภิกษุทั้งหลายมีร่างกายอ้วนมีอาพาธมากจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาตพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้า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 ปลอบชลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกาถาแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วทูลลากลับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อคันกั้นดินที่ถมสามชนิดคือคันที่ทำด้วยอิฐคันที่ทำด้วยศิลาคันที่ทำด้วยไม้เมื่อภิกษุทั้งหลายขึ้นลงพลัดตกลงมาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิสษุทั้งหลายเราอนุญาตรัวรอบที่จงกรมสมัยนั้นภิสษุทั้งหลายจงกรมอยู่กลางแจ้งย่อมลำบากเพราะอากาศหนาวบ้างอากาศร้อนบ้างภิสษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้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 ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้รื้อลงแล้วเอาดินโบกฉาบทั้งภายในภายนอกทําให้มีสีขาวให้มีสีดาให้มีสีอย่างไม้เขียนลวดลายดอกไม้เขียนลวดลายเถาวันจักเป็นพันมังกรเขียนลวดลายดอกจอกราวจีวรสายระเดียง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 ที่รับเดือยประตูห่วงข้างบนสายอยู่ไม้หัวหลิงกรอนลิมช่องดานช่องสำหรับชักเชือกสำหรับชักสมัยนั้นผงหญ้าตกเกลื่อนที่ซุม้มภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ